คนตาบอดจะไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยจำเป็นจะต้องมีคนตาดีนำทางไปถ้าไม่มีคนนำทางไปเองก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้พวกเราเป็นเหมือนคนตาบอด พ่อพวกเราไม่รู้จากทางที่จะพาให้เราไปสู่ที่มีแต่ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ถ้าเราไม่มีคนตาดีอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นำทางเราจะไม่สามารถไปถึงที่เราต้องการจะไปได้ เหมือนคนตาบอดที่ต้องการจะไปที่ใดที่หนึ่งถ้าไม่มีคนตาดีพาไปก็จะไปไม่ถึงที่ต้องการจะไปได้พวกเราเป็นคนตาบอดที่บอดนี้ไม่ได้บอดที่ตานอกแต่บอดที่ตาในาเรามีสองตาด้วยกัน ตานอกคือตาร่างกายส่วนตาในาคือตาใจตาใจของเราบอดมองไม่เห็นสิ่งที่ใจควรจะเห็นเราเห็นแต่ตานอกเห็นตาร่างกายเห็นรูปต่างๆเห็นสีต่างๆเห็นแสงต่างๆได้ ด้วยตานอกแต่เรามองไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์เราไม่เห็นนิพพานเราไม่เห็นอบายไม่เห็นผู้ที่จะไปนรกไปสวรรค์จะไปนิพพานเพราะต้องเปิดตาในาเราถึงจะเห็นได้ถ้า ตาในเราปิดเราจะไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นนรกไม่เห็นอบายไม่เห็นนิพพานไม่เห็นใจผู้ที่เป็นผู้ไปเกิดในที่ต่างๆถ้าเราถ้าตาในเราปิดอยู่เราก็จะต้องอาศัยผู้ที่มีตาในที่เปิดแล้ว ผู้ที่มีตาในที่เปิดแล้วก็คือพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตาสาวกทั้งหลายพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่ได้เปิดตานายแล้วท่านเห็นบุ ญ, ท, บญท่านเห็นบุญที่พาให้ไปสวรรค์ท่านเห็นบาปที่พาให้ไปสู่นรกไปสู่อบาย ท่านเห็นผู้ที่พาให้ท่านต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆแล้ท่านเห็นผู้ที่จะมาทําให้ท่านได้ไปที่พระนิพพานให้เราให้ไปให้หลุดพ้นจากการไปเกิดในภพต่างๆไม่ว่าจะเป็นภพที่ดีหรือภพที่ไม่ดี ก็มีความทุกข์เหมือนกันมีแต่มีต่างกันตรงที่ว่ามีทุกข์มากหรือทุกข์น้อยถ้าไปอบายนี้จะมีทุกข์มากถ้าไปพบอื่นเช่นพบของเทวดาของพรหมของมนุษย์ก็มีความทุกข์น้อยแต่ก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่เพราะว่าพบต่างๆนี้ ยังเป็นภพที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นภพที่มีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปเช่นถ้าไปถึงภพของพรหมอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งบุญที่ส่งให้ไปเป็นพรหมก็จะหมดกำลังก็จะต้องตกลงมาจากสวรรค์ชั้นพรหมมาสู่สวรรค์ชั้นเทะ เวลาตกจากสวรรค์ชั้นสูงลงม า, มาจากสวรรค์ชั้นต่ําถึงแม้ว่ายังเป็นสวรรค์อยู่ก็มีความรู้สึกที่ไม่ดีเหมือนกับถ้าเราไปอยู่คอนโดระดับห้าสิบล้านแล้วเราต้องเปลี่ยนมาอยู่คอนโดระดับห้าล้านเราก็จะรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกัน ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเวลาที่เราต้องอเปลี่ยนจากที่อยู่ที่ดีกว่ามาอยู่ที่ไม่ค่อยดีดีเท่ากับของเดิมอันนี้ก็คือลักษณะของความทุกข์ของพรหมเวลาต้องตกจากสวรรค์ชั้นพรหมมาสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วเทพก็เหมือนกันชั้นเทพอยู่ไปได้สักพักเดี๋ยวบุญที่ส่งให้ไปอยู่ ชั้นเทพหมดลงก็ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เกิดมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังดีดีกว่าไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่เป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์เหมือนกันเพราะว่าเมื่อเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพัดพลากจากกาันตอนนั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา นี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดในภพไหนถ้าไปเกิดในภพที่ต่ำกว่าภพของมนุษย์คือภพของเดรัจฉานก็มีความทุกข์มากกว่าภพของมนุษย์ไปเกิดเป็นภพของเปรตของอสุรกายของนรกนี่ก็มีแต่ความทุกข์เป็นส่วนใหญ่จนกว่าบาปที่ได้ส่งไปนั้นหมดกำลัง ถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดไม่ว่าอยู่ในภพไหนไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องพบกับความทุกข์ทุกข์เพราะว่าต้องเกิดเจอความเสื่อมของภพนั้นๆการเกิดการเกิดในภพใดภพต่างๆจึงเป็นความทุกข์ถ้าไม่มาเกิดได้นั้นละ่ะ ดีที่สุดเพราะถ้าไม่เกิดในภพต่างๆแล้วก็จะได้ไม่ต้องพบกับความทุกข์ของภพต่างๆนั่นเองแต่การที่จะไม่มาเกิดได้ก็ต้องรู้ว่าใครเป็นผู้ไปเกิดในภพต่างๆและอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ไปเกิดในภพต่างๆและอะไรที่จะทำให้ ไม่ต้องไปเกิดในภพต่างๆนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่มีวันรู้ได้ด้วยตนเองถ้าไม่มีคนรู้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยสงสาวกมาสอนมาบอกเราพวกเราจะไม่รู้เลยว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วนีอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเพราะ เรามองไม่เห็นส่วนที่เป็นของเราเราเห็นแต่ส่วนที่ไม่ได้เป็นของเราเราเห็นแต่ร่างกายที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของดินน้หลมไฟร่างกายนี้ทํามาจากธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟโดยมาทางอาหารนี่เอง ร่างกายของเราจเจรินเติบโตขึ้นมาได้เพราะมีอาหารอาหารนี่มาจากอะไรก็มาจากข้าวจากผักผักกับข้าวนี้ก็มาจากที่ไหนก็มาจากดินจากดินแล้วก็มีน้ำช่วยผสมมันมีลมมีอากาศมีความร้อนจึงทำให้ข้าวจเจริญเติบโตขึ้นมาได้ ทำให้ผักจเจริญเติบโตขึ้นมาได้เวลาเรากินข้าวกินผักก็เหมือนกับเราเอาดินน้ำลมไฟที่อยู่ในรูปของข้าวของผักนี้เข้ามาในร่างกายของเรานั่นเองเอาธาตุทั้งสี่เข้ามาแล้วแล้วเรายังมีธาตุลมที่เราใช้สูดหายใจเข้าออกในร่างกาย แล้วเรายัางดื่มน้ำเป็นธาตุน้ำแล้วเรายัางได้รับความร้อนความอบอุ่นจากแสงแดดเนี่ยจึงทาให้ร่างกายจเจริญเติบโตขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องจนโตจนเต็มที่แล้วเมื่อร่างกายจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมันก็จะเริ่มนับถอยหลังธาตุที่มารวมกันทั้งสี่นี้จะพยายาม ที่จะแยกออกจากกันตลอดเวลาธาตุน้ำอยากก็อยากจะกลับไปสู่ธาตุน้ำธาตุลมก็อยากจะกลับไปสู่ธาตุลมธาตุดินธาตุไฟก็อยากจะกลับไปสู่ธาตุของเขาเร่างกายก็เลยเริ่มเสื่อมลงไปตามลาดับถึงแม้เราจะเติมดินเติมน้าเติมลมเติมไฟเข้าไปอย่างต่อเนื่อง แต่มันจะรับได้น้อยลงไปเรื่อยๆคนมีอายุมากนี้จะรับประทานอาหารได้น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะร่างกายมันไม่สามารถรับเอาไว้ได้มันมีแต่จะพยายามที่จะลดปริมาณของธาตุให้น้อยลงไปธาตุมันจะพยายามแยกตัวออกจากกันไปเรื่อยๆ มันจึงทำให้อวัยวะต่างๆของร่างกายเสื่อมสภาพเริ่มทำงานไม่เป็นปกติเริ่มมีปัญหาต่างๆตาก็มัวหูก็เริ่มหดวกหัวใจก็มีอาการผิดปกติตับไตปอดอะไรต่างๆในร่างกายมันเริ่มรวน เพราะเหตุของที่ธาตุที่มารวมกันนั้นมันมีกำลังที่จะแยกออกจากกันมากกว่ากำลังที่จะดึงมันไว้ให้อยู่ด้วยกันแล้วก็ต่อไปในที่สุดมันก็จะทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายหยุดทำงานพอหัวใจหยุดเต้นร่างกายก็ ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้พอหัวใจหยุดเต้นแล้วทีนี้ธาตุที่มีอยู่ในน้ำที่มารวมกันมันก็จะแยกออกจากกันเรื่อยๆตามลาดับธาตุลมธาตุลมก็จะไม่เข้าเอาเข้าลบไม่เข้าข้างในแล้วมีแต่จะออกออกมาเป็นกลิ่นละเหยออกมาธาตุไฟก็จะ ออกมาทําให้ร่างกายของคนตายนี่เย็นกว่าร่างกายของคนเป็นแล้าน้ําที่มีอยู่ในร่างกายมันก็จะออกมาตามทวารต่างๆถ้าทิ้งไว้ไม่ได้ไปทําอะไรแล้มันมันก็จะมันก็จะขึ้นเอิดมันจะเน่าแล้วเดี๋ยวมันก็จะแห้ง เพราะว่าธาตุน้ำมันก็จะไหลออกมาหมดปล่อยให้ที่เหลืออยู่นี้ที่เป็นส่วนธาตุดินก็คือหนังที่แห้งกรอบอวัยวะที่แห้งกรอบกระดูกถ้าทิ้งไว้นานๆต่อไปมันก็ผุพังกลายเป็นดินไปนี่คือเรื่องของร่างกายที่เราเห็นกัน เราเห็นว่าเวลาร่างกายตายไปก็จบร่างกายก็ต้องกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟ ว, วิธีที่เราทำกับร่างกายก็คือเราก็เอาไปเผาเผาน้ำมันก็จะระเหยออกไปหมดลมก็จะหายไปหมดเหลือแต่ขี้เถ้าเหลือแต่เศษกระดูกที่เป็นธาตุดิน เมื่อนี่คือสิ่งส่วนที่เรามองเห็นส่วนที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเราก็เลยไม่รู้ว่าแล้วใครล่ะจะไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเพราะที่ผู้ที่ทําบุญทําบาปที่เรามองเห็นนี้ก็คือร่างกายเมื่อร่างกายตายไปแล้วแล้วใครล่ะจะไปเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาป ใครจะไปสวรรค์ใครจะไปอบายถ้าไม่มีใครมาสอนมาอธิบายให้เราฟังเราก็จะมองไม่เห็นเราก็จะไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปได้เราก็จะไม่เชื่อเรื่องของนาลของสวรรค์เราก็จะไม่เชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราไม่เห็น ผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปเราเห็นผู้ทำบุญทำบาปเราเห็นร่างกายเรานี่แหละเป็นผู้ทำบุญทำบาปอย่างวันนี้เราก็สั่งให้ร่างกายมาทำบุญบางเวลาเราก็สั่งให้ร่างกายไปทำบาปเช่นบางทีเราก็ตบยุงบ้างฆ่ามดบ้างฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยบ้าง เราเห็นผู้ที่กระทําคือร่างกายแต่เราไม่เห็นผู้ที่ทําจริงๆนั้นไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของผู้กระทําผู้กระทําก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่แหละผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ใช่ร่างกายนี่ผู้รู้ผู้คิดนี้เราเรียกว่าใจหรือจิตใจนี่ฮะ การที่เรามาทำบุญเนี่ยผู้รู้ผู้คิดเป็นผู้สั่งให้ร่างกายพามาร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ทำบุญเป็นเหมือนคนรับใช้คำสั่งของผู้ให้สั่งให้กระทำผู้สั่งให้กระทาก็คือผู้รู้ผู้คิดเช่นคิดว่าวันนี้จะมาทำบุญจะมาฟังเทศฟังธรรมก็เลยสั่งให้ร่างกายเดินทางมา แล้วก็เอาข้าวของต่างๆมาทำบุญทำทานมาถวายพระเนี่ยผู้ที่รู้ผู้ที่สั่งนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รู้ผู้ที่สั่งนี้ไม่มีความไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเหมือนกับอากาศที่เราสูดเข้าไปนี่มันไม่มีรูปร่างที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่จะไปปฏิเสธว่าไ ม, ไม่มีผู้รู้ผู้คิดก็ไม่ได้ถ้าไม่มีผู้รู้ผู้คิดเราจะไม่รู้ว่าเรากำลังฟังอะไรอยู่ตอนนี้เรากำลังฟังธรรมอยู่เราฟังเสียงที่เข้าไปในหูเราแต่ผู้ที่ไปรู้เสียงนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่ไปรู้เสียงนี้คือผู้รู้ผู้คิดที่เรียกว่าใจใจนี้เป็น ร่างทิพเป็นกายทิพย์อยู่ในโลกทิพย์อยู่อีกโลกหนึ่งโลกที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายแต่เราสามารถมองเห็นโลกทิพย์ได้ด้วยตาในตาทิพย์แต่ตอนนี้ตาในตาทิพย์ของพวกเราถูกปิดไว้ด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงเหมือน ถูกมีผ้าเอามาผ้าปิดตาอยู่แต่ถ้าเราเอาผ้าปิดตาออกจากตาในของเราได้ถ้าเราออกเราเอาโมหะอวิชาความหลงความไม่รู้นี้ออกจากตาของเราได้เราจะเห็นโลกทิพย์เราจะเห็นร่างกายทิพย์ของเราเราถึงเราจะเราถึงจะเข้าใจว่าใครเป็นผู้ทำบุญทำบาป แล้วใครเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปกายทิพย์ร่างทิพย์เนี่ยที่เรียกว่าจิตเลือใจที่เป็นผู้รู้ผู้คิดนี่แหละเป็นผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์เป็นผู้ที่จะไปะเป็นสวรรค์หรือไปเป็นอบายไปอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในอบาย อ, อ, อยู่ในโลกทิพย์ไม่ได้อยู่ในโลกกระานนี่ ถ้าเราจะหาสวรรค์ในโลกทรานี้เราจะหาไม่เจอถ้าเราจะหานารกในโลกทรานี้เราจะหาไม่เจอเช่นถ้าเราคิดว่าสวรรค์อยู่บนท้องฟ้าส่งจะรวยขึ้นไปก็จะไม่เจอสวรรค์ถ้าเราคิดว่านารกอยู่ในใต้ดินเราเจะดินเข้าไปลงไปก็จะไม่เจอนรกเจอแต่น้ํามันเจอแต่แก๊ส นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นที่พวกเรายัางไม่รู้ไม่เห็นกันเพราะพวกเรายัางไม่ได้เปิดตาในตาตาทิพของเราถูกโมหะอาวิชชาโมหะแปลว่าความหลงเห็นผิดเป็นชอบอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงว่าเรามีตาทิพเรามีร่างทิพ ถูกโมหะความหลงหลอกให้เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราอยู่ที่ร่างกายเวลาร่างกายตายไปเราก็หายไปกับร่างกายนี่คือความคิดของผู้ที่มีโมหะมีอวิชชานักวิทยาศาสต์ผู้มีความรู้ในระดับปริญญาเอกก็จะไม่รู้ว่ามี ร่างกายทิพ์มีตาทิพย์มีอยากคิดว่าตานี้มีตาเดียวคือตาของร่างกายผู้รู้ผู้คิดก็อยู่ในร่างกายอยู่ในสมองถ้าร่างกายนี้ตายผู้รู้ผู้คิดก็ตายไปกับร่างกายเขาจึงไม่คิดที่จะทําบุญเขาไม่กลัวการกระทาบาปอย่างมากก็แค่ติดคุกติดตาราง ถ้าถูกจับถ้าไปฆ่าคนถ้าถูกเขาจับก็ไปติดคุกติดตารางถ้าหนีได้ถ้าไม่มีใครรู้เขาก็ไม่ต้องใช้โทษเขาก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางหลังจากที่เขาตายไปเขาก็ไม่ต้องไปสวรรค์นไม่ไม่ต้องไปนรกไม่ต้องไปอบายเพราะไม่มีใครไปเพราะเมื่อ ผู้ที่กระทําคือร่างกายผู้รู้ผู้คิดที่สั่งให้ร่างกายทําก็อยู่ในร่างกายเขาก็เลยไม่ต้องไปใช้บาปในอบายไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนี่คือโมหะความหลงอวิชชาคือความไม่รู้เพราะอะไรถึงทําให้เกิดอวิชชา เพราะไม่มีคนสอนไม่มีคนรู้มาสอนไม่มีการศึกษาเรื่องของผู้รู้ผู้คิดเรื่องของกายทิพย์เรื่องของโลกทิพย์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอริยสงสาวกมาสอนพวกเราก็จะไม่มีวันรู้เรื่องของโลกทิพย์เรื่องของกายทิพย์เรื่องของตาทิพย์ของพวกเราได้เลย พวกเราก็จะเชื่อตามกันเหมือนกับสมัยก่อนอคนก็คิดว่าโลกนี้แบนกันไม่มีใครคิดว่าโลกนี้กลมเวลามองออกไปที่ทะเลก็ไม่มีใครกล้านั่งเรือออกไปไกลกลัวจะตกขอบทะเลกลัวจะตกออกจากนอกโลกไปเพราะเห็นอย่างนั้นเห็นด้วยตาเปล่าจะเห็นอย่างนั้นแต่มีคนฉลาดที่เขา ศึกษาดูดวงดาวดวงอะไรต่างๆเขาก็เห็นว่ามันกลมทั้งนั้นมีโลกนี้มันจะมาแบนได้อย่างไรเขาก็เลยสังเกตดูเวลาเรือที่วิ่งเข้ามาจากทะเลนี้เวลาเรือเข้ามานี่สิ่งแรกที่เขาจะเห็นก็คือกระโดงก็คือเสารกระโดงเห็นธงที่ปักอยู่บนเสาตัวเรือเขายังมองไม่เห็น แต่พอเรือวิ่งใกล้เข้ามาเขาถึงจะเริ่มเห็นอตัวเรือที่อยู่ต่ําที่ต่ํากว่าเสาเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ขี่มา้าเนี่ยข้ามเขามาเวลาเขาขี่มา้าข้ามเขามานี่เราจะเห็นคนขี่ก่อนที่จะเห็นตัวมาเพราะคนขี่อยู่สูงกว่ามา้าก็แสดงว่าอพื้นที่ที่เขาขี่มา้ามานี่มันไม่ลาบ ถ้าเป็นพื้นที่ราบนี่มันจะต้องเห็นพร้อมกันหมดเห็นทั้งคนขี่เห็นทั้งเห็นทั้งมาพร้อมๆกันหรือเรือถ้ามันเป็นโลกมัแบนๆพื้นมันราบเรือที่มานี่ถ้าเราเห็นเราจะต้องเห็นพร้อมกันหมดเลยเห็นทั้งลำเห็นทั้งเสากระโดงแต่ทาไมถึงเห็นเสากระโดงก่อนแล้วค่อยๆเห็นส่วนที่ต่ํากว่าลงมาตามลําดับก็แสดงว่า ผิวของน้ำที่เรือกำลังวิ่งเข้ามานี้มันโค้งมันไม่ราบมันมันไม่เรียบมันไม่แบนนั่นเองเขาก็เลยได้ข้อสรุปว่าโลกนี้มันกลมมันไม่แบนเขาเลยกล้านั่งเรือออกไปแล้วเขาก็สามารถพิสูจน์ได้ว่านั่งเรือไปทางทิศตะวันตกนี่แหละนั่งไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเรือมันก็จะกลับมาที่จุดที่เราเริ่มต้นได้ มันก็แสดงว่ามันเป็นโลกมันกลมวิ่งไปยังไงเรือก็ไม่ตกออกจากขอบทะเลนะเพราะทะเลไม่มีขอบนะนะนี่ก็คือการพิสูจน์ของผู้ที่คิดเป็นนะผู้ที่ศึกษาค้นหาความจริงนะเขาจะได้คำตอบที่แท้จริงอย่างเช่นเดียวกับของ เรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของกายทิพย์ร่างกายทิพย์นี้ก็เหมือนกันเ อ, อก็มีผู้ที่ศึกษาค้นคว้าหาอยู่กันไป อ, อก็สามารถที่จะเปิดดวงตาตาในของเขาได้ทําให้เขาเห็นว่าร่างกายกับผู้รู้ผู้คิดนีเ้เป็นคนละส่วนกันพวกที่เป็นพวกฤาษี พวกนักบวชทั้งหลายในสมัยของพระพุทธเจ้านี้พวกนี้เขาเป็นผู้ศึกษาคน้นค้นหาความรู้เกี่ยวกับทางเรื่องของร่างกายทิพย์เรื่องของตาทิพย์เขาศึกษาค้นหาวิธีเปิดตาทิพย์ของเขาเขาก็ได้พิสูจน์ได้ว่ากายทิพย์ร่างทิพย์นี้ไม่ใช่เป็นส่วนของร่างกายเวลาที่เขานั่งสมาธิ ทำใจให้สงบใจก็จะแยกออกจากร่างกายใจก็จะไม่รับรู้ความรู้ทางตาหูจมกูกดินกายพอใจถอนออกจากร่างกายชั่วคราวใจกลับไปอยู่กับตัวผู้รู้อันนี้ทำให้เขาเห็นได้อย่างชัดเจนว่านอกจากร่างกายแล้วยังมีตัวรู้ตัวคิดอีกตัวหนึ่ง ที่ไม่ได้เป็นส่วนของร่างกายถ้าไม่มีร่างกายตัวรู้ตัวคิดนี้ก็ยังอยู่ต่อไปยังไม่ได้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วถ้าได้ทำบุญหรือทาบาปไว้ตัวบุญหรือตัวบาปนี่แหละที่จะเป็นตัวที่จะชี้ทิศทางของภพของชาติที่จะไปต่อคือ ถ้าทำบุญมันก็จะพระมันก็จะชี้ไปทางสวรรค์ถ้าทำบาปมันก็จะที่ชี้ไปทางอบายส่วนผู้ที่จะดึงให้ไปสวรรค์หรือไปอบายนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งตัวที่จะดึงไปให้ไปเกิดตามภพต่างๆไม่ใช่บุญใช่บาปบุญกับบาปเป็นผู้ที่จะตั้งเข็มทิศให้ ให้จิตใจไปผู้ที่จะดึงให้ไปพบต่างๆคือตันหาความอยากในใจของเราความอยากที่เรามีอยู่นี้ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลดตทัพฑความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นตัวนี้ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบว่าเป็นตัวที่จะผลักดันให้กายทิพย์ของเรานี้ ไปเกิดในภพต่างๆแต่ผู้ที่จะชี้ให้ไปพบดีหรือไม่ดีนี้คือบุญหรือบาปถ้าทําบาปมันก็จะชี้จิตให้ไปในไปทิศของอบายแล้วตัวความอยากมันก็จะดึงให้ไปในทิศของอบายส่วนถ้าทําบุญไว้บุญมันก็จะชี้ให้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆ ความอยากมันก็จะดึงให้ไปให้ไปสวรรค์ถ้าไม่อยากจะไปในภพต่างๆพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหยุดความอยากได้หยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้่อยหยุดความอยากมีอยากเป็นได้หยุดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้ก็จะไม่มีตัวที่จะดึงให้ไปสวรรค์หรือไปอบาย ไม่มีตัวที่จะดึงให้ไปเกิดในภพต่างๆถึงแม้จะเคยทําบุญมามากน้อยเพียงไรทําบาปมามากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าหยุดความอยากได้หมดแล้วเวลาร่างกายตายไปจะไม่มีตัวที่จะดึงให้ใจนี้ไปเกิดในภพต่างๆอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นภพที่ดีหรือภพที่ไม่ดีอันนี้เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้า เป็นพวกส่งค้นพบความรู้ที่พวกฤาษีค้นพบก็คือความรู้ว่าตัวผู้รู้ผู้คิดกับร่างกายนี้เป็นคนละตัวกันพวกฤาษีที่เขาปฏิบัติในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเขารู้เพียงแค่วิธียากตัวรู้ตัวคิดออกจากร่างกายแต่เขาไม่รู้สาเหตุ ที่พาให้ตัวรู้ตัวคิดนี้ไปเกิดในภพต่างๆว่าอะไรเป็นสาเหตุพาให้ตัวรู้ตัวคิดนี้ยังต้องไปเกิดอยู่เรื่อยๆมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้ที่สามารถทรงคนพบตัวที่ทำให้ตัวร่างทิพย์กายทิพย์นี้ไปมีร่างกายใหม่ๆตามภพต่างๆต่อไป ก็คือความอยากนี่เองความอยากสามประการเรียกว่าการมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาแล้วเวลาเกิดตัญหาขึ้นมาก็เป็นเป็นการทําให้ใจมีความทุกข์เนใจที่ทุกข์นี้ทุกข์เพราะตัญหาความอยากพอทุกข์แล้วก็ต้องไปทําตามความอยาก อยากเสบรูปเสียงเกลื่นลดก็ไปเสบไปหาร่างกายในช่วงที่ไม่มีร่างกายเสบก็เสบในในในสภาพของกายทิพย์ไปก่อนถ้ามีบุญก็จะเสบในสภาพของเทวดาทั้งหลายถ้ามีบาปก็จะไปเสบในสภาพของเปรตของเดรัจฉานของสัตว์นรกนี่นี้คือ สิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้เรียนรู้กันได้พบกันที่พวกเรายังไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้เรื่องเรื่องของกายทิพย์เรื่องของจิตใจเราจะรู้เพียงแต่เรื่องของร่างกายเท่านั้นเองเราก็จะสงสัย เราก็จะไม่รู้ว่าจะเชื่อดีไม่ดีว่าสิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้สอนเรานี้เป็นความจริงหรือไม่เพราะเรายังไม่ได้พิสูจน์นั่นเองถึงแม้จะเชื่อมันก็ยังเหมือนกับไม่เชื่อเพราะมันยังมองไม่เห็นที่เชื่อก็เพราะคิดว่ามีคนอื่นเขาเชื่อกันมาแล้วเขาไปพิสูจน์กันได้ ไปพิสูจนว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสิ่งที่พระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อสั่งสอนพวกเรานี้เป็นความจริงทั้งนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องมีก่อนก็คือมีความเชื่อก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่มีความเชื่อเราก็จะไม่สนใจที่จะมาศึกษามาฟังน อย่างถ้าเราไม่เชื่อวันนี้เราจะไม่มานั่งฟังเทศฟังธรรมให้เสียเวลาเปล่าๆถ้าเราไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้มีความรู้อะไรที่เรายัางไม่รู้มีความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของบุญของบาปความรู้ที่เกี่ยวเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดความรู้เรื่องของการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่มาฟังเทศฟังธรรมให้เสียเวลาเพราะเราคิดว่ามันไม่มีคิดว่าตายไปแล้วก็ศูนยเพราะเราเชื่อเพียงแต่สิ่งที่เราเห็นส่วนที่เราเห็นเท่านั้นคือร่างกายของเราเราเห็นว่าเรามีร่างกายพอร่างกายตายไปเราก็ตายไปกับร่างกายจบแล้วบุญจะพาเราไปไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนบาปจะพาเราไปที่ไหน บาปอยู่ที่ไหนเราไม่สามารถมองเห็นได้เราก็จะไม่มีวันเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่เชื่อเราก็จะไม่สนใจศึกษาเมื่อเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่มีวันที่จะเอาความมืดบอดเอาความไม่รู้ออกจากตาในของเราตาในคือใจของเราตอนนี้ ถูกความหลงถูกความมืดบอดมันปิดบังไว้เท่านั้นเองถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราศึกษาศึกษาแล้วเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติเดี๋ยวเราก็จะเอาสิ่งที่ปิดมัดปิดบังตาของเราคือเอาโมหะเอาเอาวิชชาออกจากตานายของเราแล้วตานายของเราก็จะ อลืมตาขึ้นมาจะเห็นโลกทิพย์เห็นสวรรค์เห็นนรกที่อยู่ในโลกทิพย์เห็นตัวเราผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกทิพย์เห็นตัวที่ทําให้เราต้องไปเกิดในภพต่างๆคือตัณหาความอยากที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี่ยนี่ดึงทําไมเราจึงต้องเชื่อกันก่อน เพราะถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่มีวันที่จะมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเหมือนกับถ้าเราไม่เชื่อว่าโรงเรียนนี้สอนให้เราฉลาดเราก็จะไม่ไปเรียนหนังสือกันถ้าไปเรียนแล้วไม่ได้ความรู้เราไปเรียนทาไมเรียนให้เสียเวลาทาไมเราก็จะไม่ไปโรงเรียนกันแต่ที่เราไปโรงเรียนกันเพราะเราเห็นคนที่ไปโรงเรียนนี้ เขาเรียนแล้วเขาฉลาดกว่าเราเขามีความรู้มากกว่าเราเขาสามารถไปทำงานหาเงินหาทองได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนไม่มีความรู้เราจึงมีความเชื่อในโรงเรียนว่าโรงเรียนนี้จะให้ความรู้กับเราที่จะทำให้เราสามารถนำเอาความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนนี้ไปทำมาหากินได้เงินได้ทองอย่างมากมาย เราจรึงตั้งใจเรียนหนังสือกันเราจรึงพยายามขยันเรียนหนังสือกันไม่เกียจค้านไปโรงเรียนตามเวลาที่โรงเรียนเขาสั่งให้ไปแล้วทาทุกอย่างตามที่โรงเรียนเขาสั่งให้ทํา hmm. เขาสั่งให้ฟังครูอยู่ในห้องเรียนให้ฟังครูสอนก็ต้องตั้งใจงฟัง <_' S 1> เขาสั่งให้กลับมาทำการบ้านที่บ้านก็ทาการบ้าน evolve. เขาสั่งสั่งให้ไปสอบ เราก็ไปสอบเนี่ยถ้าเราทําตามคําสั่งของโรงเรียนทุกประการเดี๋ยวเราก็เรียนจบโรงเรียนเรียนจบเขาก็ให้ใบประกาศเราว่าเราได้จบชั้นนี้แล้วจบชั้นนั้นแล้วได้จบปริญญาขั้นนี้แล้วขั้นนั้นแล้วนพอเราจบเราก็เอาใบประกาศเอาปริญญานี้ไปสมัครงานได้เลยแล้วเขาก็ทดสอบดูว่าเรา เอาปริญญาปรอ ม, มาหรือเปล่าเขาก็ทดสอบความรู้ของเราให้เราทำข้อสอบก่อนหรือเขาสอบสัมภาษณ์เราก่อนว่าเรารู้จริงเราจบมาจริงหรือไม่พอเ็ารู้ว่าเราจบมาจริงเขาก็จ้างเราทำงานได้เราก็จะได้มีรายได้ทำมาหากินได้อย่างสะดวกสบายเช่นเดียวกับโรงเรียนของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นโรงเรียน โรงเรียนที่จะสอนให้เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกทิพย์เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของกายทิพย์ร่างทิพย์ของเราที่เราไม่รู้จักที่มีอยู่กับเราตลอดเวลาที่เราใช้มันทำอะไรต่างๆนี้เราใช้ร่างทิพย์เป็นผู้ทำงานใช้ร่างกายร่างทิพย์นี้ให้คิดให้รู้เนี่ยเวลาฟังเทศฟังธรรมนี้ก็ ร่างกายทิพย์หรือจิตใจนี้คือผู้รู้นี่ต่างหากที่ได้ยินที่เป็นผู้รู้เสียงรู้ว่ากําลังพูดอะไรอยู่ร่างกายนี้มันไม่รู้อะไรเหมือนกับกล้องที่กําลังถ่ายทอดอยู่เนี่ยกล้องมันไม่รู้ว่ามันกําลังถ่ายทอดภาพและเสียงอะไรมันมีแต่หน้าที่ถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายแล้วก็ส่งไปให้ผู้ที่อยู่ทางบ้านได้เห็นภาพนี้ แล้วมันก็รับเสียงแล้วก็ส่งเสียงนี้ไปให้กับผู้ที่อยู่ทางบ้านหรือผู้ที่ฟังอยู่ตอนนี้ผู้ที่ฟังผู้ที่รู้นี่คือคือคือกายทิพย์เนี่ยผู้รู้ผู้คิดเนี่ยอยู่ที่บ้านก็มีกายทิพย์ญาติโยมที่อยู่ที่บ้านก็มีร่างกายใช้ร่างกายนี้ดูภาพใช้หูนี่ฟังเสียง ร่างกายมันไม่รู้ว่ามันดูภาพอะไรฟังเสียงอะไรมันเพียงแต่มีหน้าที่รับภาพรับเสียงแล้วส่งไปให้ร่างทิพย์อีกทีหนึ่งส่งไปให้กายทิพย์อีกทีหนึ่งกายทิพย์นี่แหละเป็นผู้ที่รู้เสียงรู้ภาพรู้ว่ากำลังเห็นภาพอะไรรู้ว่ากำลังได้ยินเสียงอะไรนี่แหละคือร่างทิพย์ที่มาเกาะติดอยู่กับร่างกาย เวลาที่เราจะแยกร่างทิพออกจากร่างกายก็คือเวลาเรานั่งสมาธินี้เองเวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะดึงร่างทิพที่เกาะติดอยู่กับร่างกายนี้แยกออกจากกันชั่วคราวเวลาจิตสงบรวมเต็มที่แล้วร่างทิพก็จะไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางร่างกายชั่วคราวตอนที่จิตสงบรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เนี่ย นั่นก็คือเวลาที่ร่างทิพย์ได้หยุดการรับรู้เรื่องราวผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายนี่แหละคือเรื่องของร่างทิพย์ที่เราจะศึกษาและพิสูจน์ได้ถ้าเรามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะสอนให้เรามา พิสูจน์มาให้เราได้เห็นว่าเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราอยู่ที่ร่างทิพย์อยู่ที่กายทิพย์เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราคือกายทิพย์นี่แหละที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปอีกหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเราไม่อยากจะไปรับผลบุญผลบาป เราก็จะต้องยุติความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราถ้าเราหยุดความอยากทั้งสามประการได้คือกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาได้ใจของเราก็จะไม่มีตัวที่จะดึงให้ไปเกิดในภพต่างๆทำบุญมามากน้อยเพียงไรทำบาปมามากน้อยเพียงไรก็ไม่ต้องไป รับผลบุญผลบาปเพราะผู้ที่จะดึงไปนั้นไม่มีแล้วไม่มีเมื่อไม่มีก็จะไม่มีการไปเกิดไม่มีตัณหาความอยากเหมือนกับรถยนต์รถยนต์ถ้าเราไม่เติมน้ำมันวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันน้ำมันก็หมดพอน้ำมันหมดแล้วมันก็ไม่ไปไหนแล้วมันก็จอดไปไม่ได้น้ำมันของใจที่พาให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ก็คือตันหาทั้งสามนี่เองกา마ตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาทุกครั้งที่เราทําตามความอยากก็เท่ากับการเติมน้ํามันเติมความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปให้มีอยู่เรื่อยๆเหมือนทุกครั้งที่เราไปแวะเติมเติมน้ํามันตามสถานีบริการถ้าเราเติมน้ํามันอยู่เรื่อยๆรถมันก็ยังจะวิ่งได้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดเติมน้ํามันเมื่อไหร่ เดี๋ยวรถมันก็ต้องหยุดมันจะไปไม่ได้พอน้ามันหมดแล้วมันก็จอดไปไหนไม่ได้อีกต่อไปนี่คือเรื่องราวของใจของผู้รู้ผู้คิดของกายทิ่ที่อยู่ในโลกทิพย์ที่พวกเราไม่รู้กันไม่เห็นกันก็เพราะเราถูกโมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้นี่ปิดตาในของเราไว้ เราจึงต้องมาศึกษาวิธีเปิดตาในของเราถ้าเราศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะสามารถที่จะนำเอาไปปฏิบัติตอนต้นเราต้องศึกษาวิธีที่จะเปิดตาในของเราว่าเปิดอย่างไรพอรู้จากวิธีแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติได้แล้วตาในของเราก็จะเปิดขึ้นมา ตาทิพย์ของเราก็จะปรากฏขึ้นมานผู้ที่จะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นนิพพานได้นี้ก็คือตาทิพย์นี้เท่านั้นถ้าตาทิพย์ปิดอยู่ก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้าพอเปิดตาทิพย์ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นจะเห็นอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้เห็นกันได้กําลังเห็นอยู่ แล้วจะเห็นไปตลอดตอนนี้เรามองไม่เห็นเพราะเราถูกโมหะอาวิชชาความหลงความไม่รู้มาปิดตาของพวกเราไว้เรามีแต่ความหลงหลอกให้เราไปเห็นเพียงเพียงส่วนเดียวคือร่างกายแล้วก็หลงไปคิดว่าเราอยู่กับร่างกายไปคิดว่าผู้รู้ผู้คิดนี้อยู่กับร่างกาย ไม่รู้ว่าเรามีกายที่มีร่างทิ่ที่ไม่ได้อยู่กับร่างกายเพียงแต่มามาเชื่อมต่อกันเท่านั้นเองเหมือนแฝดสยามเชื่อมต่อกันแต่ไม่ได้เป็นคนเดียวกันเป็นคนละคนกันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่มีศรัทธาหลังจากที่เราได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่ได้เรียนรู้ เราก็จะไม่ได้เอาโมหะอวิชชาที่ปกปิดตาทิพย์ของเราออกจากตาทิพย์ของเราได้เราก็จะไม่มีวันรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานได้แต่ถ้าเรามาพบแล้วเราเกิดศรัทธาเพราะเราฟังและเราเห็นว่าผู้ที่ได้มาพบ และได้มีศรัทธาและได้ปฏิบัติตามนั้นทำให้เขาฉลาดขึ้นทำให้เขาเก่งขึ้นทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มันก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อที่อยากจะศึกษาที่อยากจะปฏิบัติตาม ตอนต้นมีคนเดียวที่รู้เรื่องของโลกทิพย์เรื่องของกายทิพย์เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็คือพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นเองที่รู้ได้ด้วยพระองค์เองหลังจากที่พระองค์ทรงรู้ความจริงนี้แล้วพระองค์ก็นำไปสอนผู้ที่ยังไม่รู้พอผู้ที่ไม่รู้ได้ยินได้ฟัง ก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นมาแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนสอนให้นั่งสมาธิก็นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิก็ได้รู้จักกายทิพย์แล้วก็สอนให้ยุติความอยากที่ทาให้ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดพอเขายุติการยุติความอยากได้เขาก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงกายที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเหมือนกับคนที่ก็บอกว่าอย่าไปขับรถเลยขับไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปติดตามท้องถนนสู้จอดรถไว้เฉยๆดีกว่าวิธีที่จะจอดรถไว้เฉยๆก็อย่าไปเติมน้ำมันวิ่งเหมือนไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำมันหมดมันก็วิ่งไปไม่ได้เองจอดอยู่ข้างทางสบายกว่าสบายกววิ่งไปแล้วก็ไปติด แล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุต่างๆการเวียนว่ายตายเกิดก็อย่างนั้นไปเกิดถึงแม้จะได้ไปตามที่เราอยากจะได้ไปไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสไปทำอะไรที่เราอยากได้แต่เดี๋ยวมันก็ต้องจบเวลาจบก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันสู้อย่าไปเกิดดีกว่า อ, อย่าไปเติมอย่าไปทำตามความอยากดีกว่าอพอเราไม่ทาตามความอยากได้ ต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปพอนหมดแล้วมันก็จะไม่มีอะไรที่จะดึงกายทิพย์นี้ให้ไปเกิดอีกต่อไปอพอเรารู้ว่าผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระจากพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าเห็นได้และทาสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทาได้ก็คือยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ ไม่ต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปพอเราเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนนี่เป็นความจริงมีผู้ที่รับรองความจริงอันนี้คือมีพระอริยสงสาวกเป็นผู้รับรองความจริงมันก็ทำให้เราเกิดมีศรัทธาความเชื่อเชื่อที่จะน้อมที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะหมั่นฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าเราต้องทำอะไรบ้างในการที่เราจะสามารถเอาโมหะอวิชชาที่ปิดตาของเราปิดตาในของเรานี้ให้ออกไปเพื่อเราจะได้เห็นโลกทิพย์เห็นกายทิพย์ของเราแล้วเราจะได้เห็นนรลกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานพอเราได้ปฏิบัติตามทำใจให้สงบได้ เราก็จะเห็นทันทีพอจิตสงบนี้เราก็จะเข้าสู่โลกทิพย์ทันทีเวลาเรานั่งสมาธิเราจึงต้องปิดตานอกเพราะเราจะออกจากร่างกายเราจะเข้าไปสู่โลกทิพย์เข้าไปสู่ภายในด้วยการใช้สติดึงใจของเราเข้าไปวิธีที่จะแยกใจของเราออกจากร่างกายก็คือต้องใช้สติสติก็คือหยุดความคิด ความคิดนี้เป็นตัวที่เชื่อมร่างกายกับกายทิพย์ให้อยู่ด้วยกันถ้าเราหยุดความคิดได้ตัวร่างกายกับกายทิพย์ก็จะแยกออกจากกันการที่เราจะหยุดความคิดได้เราก็ต้องมีสติถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้สั่งให้หยุดคิดแล้แลวมันยังคิดอยู่เราก็ต้องใช้เราก็ต้องสร้างสติขึ้นมา เพจะหยุดความคิดวิธีสร้างสติก็คือให้เราคิดอยู่กับเรื่องเดียวหรือให้เรารู้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นถ้าเราคิดก็ให้คิดอยู่กับพุทโธคาเดียวคิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้ไม่สามารถไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดพะได้ไม่สามารถไปคิดถึงร่างกายได้พอเราไม่คิด มันก็ต่อไปมันก็จะแยกออกจากกันพอเราหยุดคิดถึงตาหูจมูกลิ้นกายหยุดคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสใจก็จะแยกออกจากร่างกายใจก็จะเข้าสู่โลกทิพย์กับเข้าสู่โลกกับพันเข้ามาสู่โลกทิพย์เปิดตาในเปิดตาทิพย์ขึ้นมาใจก็จะพบจะเห็นตัวเองจะเห็นตัวผู้รู้ผู้คิด จะเห็นนาลกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานทันทีเพียง <Yeah. S 1> แต่ว่ายังจะไม่สามารถที่จะบังคับให้ใจอยู่ในนิพพานได้เท่านั้นเองเพราะยังไม่ได้กาจัดตัวที่ดึงให้ใจกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบในพบต่างๆจ <Yeah. S 2> ึงต้องทำอีกขั้นหนึ่งขั้นต้นหลังจากที่เราเปิดตาทิพย์ได้แล้วเห็นแล้วว่า กายทิพย์นี้ไม่ใช่ร่างกายกายทิพย์นี้เป็นผู้ที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆพอเรารู้ขั้นแรกแล้วขั้นที่สองเราก็ต้องรู้ว่าตามที่พระเจ้าสอนว่าตัวที่ทำให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายไปเวียนว่ายตายเกิดตามภพต่างๆนี้ก็คือตัวความอยากนี้เองคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา ถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดในภพต่างๆเราก็ต้องหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากเวลาอยากก็ไม่ไปทำามืนฟืนมันทำใจเฉยๆเวลาอยากจะดูอะไรก็ไม่ดูอยากจะฟังอะไรก็ไม่ฟังอยากจะดื่มอยากจะลิ้มรสอะไรก็ไม่ดื่มถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นก็ดื่มได้เช่นเวลาร่างกายหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าได้ ถ้าไปดื่มน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสนี้เป็นการดื่มตามความอยากอยากในสีในกลิ่นของรสของน้ำอันนี้เป็นความอยากดื่มไม่ได้ถ้าจะดื่มก็ดื่มน้ำเปล่า<ม>เพราะร่างกายต้องการน้ำเปล่าถ้ามีน้ำเปล่าแล้วร่างกายก็อยู่ได้ถ้าร่างกายไม่มีน้ำเปล่าเดี๋ยวร่างกายก็ตายได้จึงต้องดื่มแต่ดื่มน้ำเปล่า แต่ถ้าอยากไปดื่มน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสเช่นดื่มกาแฟดื่มน้ำชาดื่มอะไรที่มีรสหวานรสเปรี้ยวรสอะไรต่างๆอันนี้เป็นความอยากเราถ้าเป็นความอยากมันก็จะติดมันก็จะอยากอยู่เรื่อยๆเคยดื่มกาแฟเดี๋ยวก็อยากจะดื่มกาแฟอีกเคยดื่มชามันก็อยากจะดื่มชาอีกเคยดื่มอะไรมันก็จะดื่ม ถ้ามันอยากอยากอยากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาหารูปเสียงกลิ่นรสเนีร่างกายตายไปเดี๋ยวมันก็กลับมาหาเมื่อมีร่างกายอันใหม่ meng, เพื่อจะได้มาดื่มรูปเสียงกลิ่นรสที่มันอยากดื่มอีกเนี่ยอย่างนั้นเวลาเราดื่มเวลาเราเรับประทานนี้เราต้องรู้จักแยกแยะว่าดื่มด้วยความอยากรับประทานด้วยความอยากหรือดื่มหรือรับประทานด้วยความจําเป็น oder. จําเป็นก็คือ ต้องเลี้ยงให้ร่างกายอยู่ได้ต้องรักษาร่างกายให้มันอยู่ต่อไปเพราะเรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการที่เราจะมากำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเราก็ยังต้องเลี้ยงร่างกายแต่เลี้ยงมันแบบแบบให้ยามัน เ, มนเวลาเรากินยาเวลากินยานี้เราไม่ได้กินตามความอยากเรากินตามเวลาที่หมอสั่งหมอให้ยามา สั่งให้กินวันละกี่ครั้งเราก็กินตามที่หมอสั่งเพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นหมอท่านสั่งให้เรากินอาหารวันละครั้งก็พอถ้าเราเป็นผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่รับประทานวันละครั้งก็พออย่างนั้นเราก็จะได้รู้ว่าถ้าเรารับประทานมากกว่าหนึ่งครั้งก็แสดงว่าเราไม่ได้รับประทานเป็นยา รับประทานด้วยความอยากถ้ารับประทานด้วยความอยากความอยากมันก็จะไม่ตายเมื่อไม่มยังมีความอยากอยู่ในใจเราอยู่มันก็จะดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่เรื่อยๆ น, นี่คือวิธีกำจัดความอยากต่างๆเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเราก็ต้องใช้กำลังของสมาธินี้ช่วยฝืนความอยาก เพราะถ้าเราไม่มีกาลังของสมาธินี่เราจะสู้ความอยากไม่ได้เวลาอยากแล้วมันจะทรมานใจถ้ามันทรมานใจเราก็กลับเข้าไปในสมาธิพอเข้าไปในสมาธิใจสงบก็หายทรมานใจเราก็ไม่ต้องไปทำตามความอยากเช่นอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มมันดื่มน้ำแก้วเดียวก็พอจะดื่มกาแฟก็ดื่มกาแ ฟ, กก แ, ฟกแก้วหนึ่งก็ดื่มน้าแก้วหนึ่งแทนมันก็เหมือนกัน เพราะร่างกายได้ได้สิ่งที่ร่างกายต้องการแล้วเราก็จะได้กำจัดความอยากในรถของกาแฟได้ต่อไปเราก็จะไม่หิวกาแฟไม่อยากกาแฟเราก็ไม่ต้องกลับมาหากาแฟมาดื่มหลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าเรายังติดกาแฟอยู่เดี๋ยวตายไปก็จะกลับมาเกิดใหม่กลับมาหากาแฟดื่มใหม่นี่คือขั้นที่เราขั้นที่สองหลังจากขั้นแรก ได้เปิดตาในของเราแล้วได้รู้แล้วว่าเราอยู่ในโลกที่และเรายังยังไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตามภพต่างๆเพราะเรายังมีความอยากอยู่พอเรารู้ความรู้อันนี้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องหยุดความอยากทุกครั้งที่เรามีความอยากไม่ไปทำตามความอยากอยากดูก็ไม่ดูอยากฟังก็ไม่ฟัง เ, เวลาบันทรมานใจ ก็ไปนั่งสมาธิแทนทำใจให้สงบแทนไม่ต้องไปทำตามความอยากทุกครั้งที่เราทำอย่างนี้ต่อไปความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็จะหายไปหมดมันจะไม่กลับมาอีกไม่เชื่อลองทำดูอยากดื่มกาแฟอยากไปดื่มมันดื่มน้ำเปล่าถ้ามันหงุดเหงยดลำคาญใจก็ไปนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธไป เดีมันก็ลืมเรื่องความอยากดื่มกาแฟทุกครั้งมันอยากจะดื่มก็ทาอย่างนี้ไปเดี๋ยวต่อไปความอยากดื่มกาแฟมันก็จะหายไปหมดไปมันจะไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไปมันจะไม่ดึงให้เรากลับมาดื่มกาแฟต่อไปทุกภพทุกชาตินี่แหละคือการทำคาสอนของพระพุทธเจ้าการศึกษาจะทำให้ตานานของเราเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นมาก่อน แล้วจะทำให้เราสามารถพาใจของเราตาในของเราผู้รู้ผู้คิดนี้ให้ไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือที่พระนิพพานที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปต้องไปด้วยการมีศรัทธาความเชื่อเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเชื่อแล้วเราจะได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อศึกษา หาความรู้ที่จะสอนให้เราทําให้เรามีหูตาสว่างขึ้นมีหูตาในสว่างขึ้นให้เราได้รู้จักกายทิพย์ของเราได้รู้จักโลกทิพย์ได้รู้จักนาลกรู้จักสวรรค์รู้จักนิพพานรู้จัก ว, วิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดรู้จักวิธีที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานที่เป็นที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับกายทิพย์ของพวกเราือ เราเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราปฏิบัติตามเดี๋ยวเราก็จะได้รับผลแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราจะได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่ที่ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไปตลอดอนันตการไม่มีวันสิ้นสุดพราอใจของเรานี้ไม่มีวันตายถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา ใจของเราก็จะทุกข์ไปกับการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกันเราจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติความทุกข์เหล่านี้ได้ก็ต้องมาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามพอศึกษาและปฏิบัติตามเดี๋ยวก็ได้รับผล ที่เกิดจากการศึกษาเกิดจากการปฏิบัติเกิได้ไปถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือเรื่องของทำไมเราจึงต้องมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะจะนําเราไปสู่ที่ดีที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับจิตใจของพวกเรานั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาศึกษา มาฟังเทศฟังธรรมด้วยศรัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงที่ถาวรและการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวหาปุราภิริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปกัรปติยิชิตตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจัโตสเพปุเรนตุส ah ังกปาจันโทปนาหระโสยาถามณิโชติ พระโสยะธาสพิติโยวิวาชนตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะพิวาทนสีริสะนิจจังุทธาปจายโนจตารโธรรมวัานติอายุวโนโอสุขัง พาลาววันนี้ทาง Facebook กับ YouTube เข้ามาเท่าไหร่กับนิมัสการพระอาจารย์ครับวันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยหกสิบคนทาง YouTube เข้ามาหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคนแล้วก็วิทยุออนไลน์สิบเก้าคนครับมากขึ้นนะห้าร้อยกว่าห้าร้อยสามสิบ ช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคําถามก็เปิดโอกาสให้ถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมแต่หลังจากเลิกประชุมแล้วขออนุญาตงดตอบปัญหาเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้ยินได้ฟังปัญหาและคําตอบเพราะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าไม่อยากจะแสดงตัวก็เขียนเป็นข้อความส่งเข้ามาให้อ่านก็ได้ แต่ถ้าอยากจะมาถามเองก็เชิญขึ้นมาเรามีไมโครโฟนไมโครโฟนให้ท่านถามได้ถ้าตอนนี้ยังไม่มีคำถามจะใหะ้ผู้ประกาศอ่านคำถามมีคนถามแล้วเลยช่วยส่งไปหไหนดิช่วยส่งซ้ายไปหน่อยขับกลับ นักมกาาพระอาจารย์ครับผมขอกราบเรียนถามพระอาจารย์เพื่อความเข้าใจครับเรื่องการฝึกสมาธิกับสติเนี่ยคือผมเข้าใจว่าการฝึกสมาธินี่เพื่อให้จิตสงบมันเชื่อมโยงเกี่ยวกับสติหรือเปล่าครับก็สติเป็นตัวที่จะทำให้มัน ส, สงบไง เหมือนเบรกของรถยนต์นถ้าอยากจะให้รถจอดก็ต้องเหยียบเบรกถ้าไม่เหยียบเบรกรถมันก็วิ่งอยู่เรื่อยๆมันก็รถก็จะไม่จอดไม่หยุดจิตของเราก็คิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่มีสติเราก็จะหยุดความคิดไม่ได้ถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีสติถึงแม้เราอยากจะหยุดแต่มันไม่หยุดเราก็ต้องม า, าสร้างสติกันขึ้นไปติดเบรก ถ้าเป็นรถถ้าเหยียบเบรกแล้วมันไม่หยุดก็ต้องเข้าอู่เข้าอู่ไปบอกให้ช่างบอกว่าเบรกมันเสียไร้ยังไงเหยียบแล้วมันไม่หยุดช่างก็บอกขอเบรกมันหมดแล้วต้องใส่เบรกข้าใหม่จิตเราก็เหมือนกับรถที่วิ่งบางทีเราอยากให้มันหยุดคิดมันไม่ยอมหยุดคิดก็แสดงว่าเราไม่มีสติไม่มีเบรกที่จะหยุดมันเราก็ต้องไปสร้างสติขึ้นมา วิธีสร้างสติเราก็สร้างได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเลยเอ่เช่นพอเราลืมตาขึ้นมาก็อย่าให้มันคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จําเป็นอย่าต้องคิดวิธีที่จะทําให้มันไม่คิดก็ให้มันคิดอยู่กับเรื่องเดียวเช่นคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวถ้ามันอยู่กับพุทโธมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้นี่ก็เป็นวิธีสร้างเบรกขึ้นมาด้วยการเรานึกถึงพุทโธพุทโธ เรียกว่าพุทธานุสติใช้เพื่อพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเป็นที่สร้างสติ เ, เล้วเลิกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธถ้าใช้ธรรมโมก็เป็นธรรมานุสติใช้สังโคก็เป็นสังคานุสติหรือจะสวดบ ท, พ, ทพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็เป็นพุทธานุสติธ ร, รมานุสติสังขานุสติถ้าเราคิดว่าเราสามารถที่จะ ไม่คิดได้แล้วก็ให้มันอยู่กับเฝ้าดูร่างกายเพียงอย่างเดียวก็ได้เช่นร่างกายกําลังทําอะไรก็ให้ใจเฝ้าดูอยู่ที่ร่างกายถ้ามันอยู่กับที่ร่างกายมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เช่นกำลังหวีผมก็ต้องรู้ว่ากําลังหวีผมหวีกี่ครั้งก็ต้องรู้หวีเสร็จแล้วหรือยังล้างหน้าล่างตาแปรงฟันถ้าให้มีสติเฝ้าดูอยู่กับการทํางานของร่างกาย ใจก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้ามันไปก็ดึงมันกลับมาด้วยการใช้พุทโธพุทโธดึงกลับมาอันนี้ต่อไปเราก็จะมีสติพอมีสติเราต้องการให้จิตเป็นสมาธิเราก็ต้องนิ่งนั่งนิ่งนิ่งร่างกายต้องหยุดถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่จิตมันจะนิ่งไม่ได้เพราะจิตเป็นคนสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนรถยนต์กับคนขับถ้าคนขับอยากจะพักหลับนอน ก็ต้องจอดรถก่อนถึงจะนอนได้ถ้าขับไปมันก็จะต้องทํางานต้องคอยควบคุมรถมันก็จะหลับไม่ได้ฉันใดถ้าเราอยากให้จิตนิ่งสงบเต็มที่เป็นสมาธิเราก็ต้องนั่งนิ่งนิ่งร่างกายต้องนั่งเฉยเฉยเพื่อจิตจะได้ไม่ต้องไปสั่งให้ร่างกายทําอะไรพอจิตไม่ต้องทํางานเกี่ยวกับร่างกายแล้วจิตถูกสติสั่งให้หยุดคิดมันก็จะสงบจะนิ่งเป็นสมาธิขึ้นมา สาธุเชื่อมโยงกับข้อที่หนึ่งครับพระอาจารย์คือหมายความว่าหลังจากผมออกจากสมาธิฝึกสมาธิแล้วเนี่ยผมก็เอาสติเนี่ยมาที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยขอให้มีสติระลึกรู้กำหนดรู้ตลอด24ชั่วโมงยกเว้นหลับเนี่ยคือผม นำไปใช้แล้วปฏิบัติเนี่เป็นลนักษณะของการอถูกต้องหรือไม่ครับถูกต้องจนกว่าเราจะสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการเข้าได้อย่างง่ายดายแคนั่งสักหนาทีก็เน่งสงบถ้าเรายังไม่ชำนานยังเข้าสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยุดเจริญสติเจริญสติต่อไปเวลาเราที่เราไม่ได้นั่งสมาธิ แต่หลังจากที่เราจเจริญสติจนมนมีกำลังสามารถให้เข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการทุกครั้งและง่ายดายรวดเร็วคือเราชนานาญการเข้าสมาธิแล้วเพราะเรามีสติเต็มที่แล้วทีนี้เวลาออกจากสมาธิมาเราก็สั่งให้มันคิดไปในทางปัญญาต่อไปให้มันคิดว่าทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรา เรามาตัวเปลเา่าๆเดี๋ยวเราก็ไปตัวเปลเา่าๆสิ่งที่เรามีตอนนี้เป็นสมบัติชั่วคราวอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดเพราะถึงเวลาที่เราจากกันมันจะทําให้เราร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันจะต้องจากเราไปไม่จากเป็นก็ต้องจากตายเราก็จะได้ปล่อยวางจะได้ไม่ยึดไม่ติดไม่ถือว่าเป็นของเรา แล้วเวลาจากกันเราก็จะไม่ทุกข์เนี่ยนี่คือขั้นต่อไปคือการสร้างปัญญาปัญญาต้องเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงถ้าไปยึดไปถือว่าเป็นของเราจะทำให้เราทุกข์มันไม่ใช่เป็นของเราเป็นของชั่วคราวเป็นของเราชั่วคราวให้คิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีความยึดติดไม่มีความอยากได้อะไรพอได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันครับสาธุอาต ข้อที่สองครับผมขอกาบเรียนถามเรื่องการปล่อยวางของจิตวิญญาณครับพระอาจารย์ก็เนี่ยปล่อยวางด้ปัญญาใช่ไผมต้องเอาสติและปัญญาไปปล่อยวางแต่แต่ถ้าเป็นลักษณะของกุศลนี่ผมก็ต้องทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถูกต้องไหมครับกุศลก็คือสติปัญญานี่สติปัญญาเราก็ต้องสร้างไปเรื่อยๆให้หมันเต็มที่เพื่อเราจะได้ปล่อยทุกอย่างได้ ตอนเราไม่ปล่อยสุกุศลเพราะกุศลเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างได้กุศลก็คือหมันสร้างสติสร้างปัญญาอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะปล่อยทุกอย่างได้หมดแล้วเราก็หยุดสร้างกุศลได้ถ้าเรายังยึดยังติดอยู่ก็แสดงว่ากุศลเรายังไม่พอก็ต้องสร้างกุศลต่อไปสร้างปัญญาต่อไปให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา จนเราไม่ยึดไม่ติดกับอะไรทั้งหมดในโลกนี้แล้วเราไม่ทุกข์กับอะไรแล้วเราก็หยุดสร้างกุศลได้สรุปแล้วผมเข้าใจอย่างนี้ครับพระอาจารย์ว่าทั้งอกุศลและกุศลเนี่ยผมต้องอฝึกใช้ปัญญาในการค่อยๆละค่อยๆเลิกแล้วปล่อยวางให้ให้หมดถูกต้องไหมครับเราใช้กุศลมาปล่อยอกุศลใช้กุศลปล่อยอกุศลครับ ใช้สติปัญญามาปล่อยกิเลสตัณหามาที่ไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นของเราครับถ้ามีปัญญามันก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราจะต้องจากกันไม่ช้าก็เร็วครับอ่าข้อสุดท้ายที่ผมอ่ากราบเรียนถามเรื่องอ่ารูปนามวิญญาณครับพระอาจารย์คือเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าอย่างยกตัวอย่างว่าตา ตาทิพย์กับตากายเนี่ยอ่ามันเชื่อมโยงกันไหมครับพระอาจารย์เชื่อมโยงแล้วก็ถ้าไม่เชื่อมโยงเนี่ยขอขยายความให้เข้าใจอีกนิดนะครับรอาจารย์ก็เชื่อมไงเวลาที่ใจจะรู้รูปรูปเสียงได้ใจต้องส่งกระแสวิญญาณมาเกาะที่ตาที่หูก่อนครับพอใจมาเกาะที่ตาเวลามีรูปผ่านมาทางตาใจก็จะได้รู้ว่ามีรูป ครับถ้าไม่มีวิญญาณเช่นเวลาเข้าสมาธิมันเราจะถอนวิญญาณทางตาออกไปครับเราก็จะไม่รับรูปเสียงกลิ่นรสครับเข้าใจไหมครับสาทุครับผมวิญญาณเป็นตัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกวิญญาณในขันห้ามีอยู่ห้าเส้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ละเส้นทางตากระลับรูปทางหูก็รับเสียงทางจมูกกระลับกลิ่นทางลิ้นกระลับรส ทางร่างกายก็รับสัมผัสร้อนหนาวร้อนเย็นแข็งแข็งอ่อนอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเวลาเข้าสมาธิเราก็ถอดปลั๊กถอดสายทั้งห้าสายนี้ออกจากร่างกายออกจากตาหูจมูกลิ้นกายตอนนั้นมันเข้าไปรวมอยู่ในใจอยู่ที่ตัวรู้ตัวเดียวตอนนั้นก็จะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายชั่วคราวครับสาธุผมก็จะนำอาวาจาอันประเสริฐและศักดิ์สิทธิ์ของพระอาจารย์ ไปประพฤตปฏิบัติต่อไปครับหลวงพ่ทา่าน ะ, ะมีใครอยากจะถามถามนั้นก็ถามได้นะท่านี้ไม่ต้องยื่นสายไปมาเออในขณะที่นอนหลับเนี่ยจิตและวิญญาณอยู่ตรงไหนอะครับแล้วขณะที่นอนหลับถ้าเราฝันไปในสิ่งที่ไม่ดีนี่ถือว่าเป็นบาปไหมครับเอ๋อมันเป็นผลของบาปเราห้ามไม่ได้เวลาเรานอ น, อนหลับ ถ้าฝันร้ายก็เรียกว่าเป็นผลของบาปถ้าฝันดีก็เรียกว่าเป็นผลของบุญที่เราห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้เพราะตอนนั้นเราไม่มีสติเวลาเรานอนหลับเราควบคุมความคิดควบคุมจิตไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลกับมันแสดงว่าเรากำลังดูหนังตัวอย่างว่าเวลาเราตายไปเราจะไปไหนกันหนาะถ้าเราฝันร้ายก็แสดงว่าเราไปอบายแน่นถ้าเราฝันดีก็เราก็ไปสวรรค์ เป็นหนังตัวอย่างเพราะเวลาเรานอนหลับก็เราตายตายชั่วคราวเวลานอนหลับเราไม่ได้ใช้ร่างกายตอนนั้นใจมันก็เลยถูกบุญกับบาปเป็นผู้ที่จะสร้างสร้างเรื่องให้เรารับรู้ถ้าบาปสร้างก็สร้างเรื่องวุ่นวายใจถ้าบุญก็สร้างเรื่องดีเรื่องสุขเรื่องสบายใจให้เรารับรู้ถ้าเป็นเรื่องสบายใจก็เรื่องก็ กำลังสร้างสวรรค์ให้เรารับรู้ถ้าสร้างเรื่องวุ่นวายใจก็สร้า ง, างอบายให้เรารับรู้คือมันจะบอกเราว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อไปอต่อไปทางบ้านคำถามจากผู้ฝากถามบนเขาคนที่ไม่มีระเบียบวินยัยสร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาไม่มีความเกรงอกเกรงใจใคร ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอยู่เสมอและนิสัยแบบนี้เพิ่มหนักขึ้นทุกวันทุกวันพระอาจารย์สอนว่าให้มีสติมีเมตตาและอุเบกขาลูกก็ทำได้เพียงครั้งคราวแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกวันทุกวันใจของลูกรู้สึกโกรธและเกลียดเขาลูกควรแก้ไขใจของลูกอย่างไรเจ้าคะและคนพวกนั้นจะได้รับผลกรรมของเขาบ้างไหม เพราะว่าลูกต้องอยู่สถานที่นั้นค่ะคือเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เป็นสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้เป็นเหมือนลมพัดอย่างเนี้ยลมมันจะพัดเราจะไปบอกไม่ให้มันพัดก็ไม่ได้คนจะไม่ดีเราจะไปบอกให้เขาไม่ให้เขาดีก็ไม่ได้ดังนั้นเราต้องหัดทําใจไหมกับเราอยู่กับธรรมชาติทําใจเวลาฝนตกแล้วก็ทําใจ เวลาลมพัดเราก็ทำใจถ้าเราทำใจได้เราก็จะไม่เครียดไม่เดือดร้อนกับการกระทำของผู้อื่นมองเขาว่าเป็นเป็น เ, น เ, นเนธรรมชาติเป็นเหมือนฝนเป็นเหมือนลมที่เราไปสั่งไปห้ามขอไม่ได้แต่เราถ้าหลบได้เราก็หลบเช่นฝนตกมีที่ไหนหลบเราก็หลบไม่มีหลบเราก็หาร่มกลางไม่มีร่มกลางก็ยอมเปียกคิดว่าเวลาอาบน้ามันก็เปียกเหมือนกัน ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรเปรียกก็เปรียบอก็เหมือนกันเวลาอยู่กับใครเขาทาอะไรไม่ดีเมื่อเมื่ อ, อยังต้องอยู่กับเขาก็ปล่อยเขาทาไปเราไม่ได้เป็นคนทําไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนคนทํานี่ยจะต้องรับเสียความเสียหายเดี๋ยวก็ถูกเขาไล่ออกจากงานถ้าไปทําอะไรไม่ดีในบริษัทจนคนเขาทนไม่ไหวเดี๋ยวเขาก็จะไล่ออกไปเองอยั้นขอให้เราหัดทําใจเท่านั้นเองแล้วเราก็จะอยู่อย่างสบายอย่าไป ทำอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราพอไม่ได้ดังใจอยากเราเลยไม่สบายใจวิธีที่จะแก้เวลาเกิดความไม่สบายใจก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเขาอย่าไปมองเขาอย่าไปรับรู้เรื่องของเขาให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วเขาทําอะไรแล้วก็เราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนใจแต่ถ้าเราคอยไปจ้องไปเฝ้าไปอยากให้เขาทําอย่างนู้นทำอย่างนี้ ยิ่งเดือดร้อนใจขึ้นมาใหญ่เวลาเดือดร้อนใจนี่อย่าไปคิดอย่าไปมองหลับตาพุโทโธพุโทโธของเราไปถ้าทำงานก็ตั้งใจทำงานของเราไปเขามองเขาเป็นเหมือนฝนเหมือนลมไปล่อยมันเป็นไปแล้วเราจะสบายใจเราจะอยู่กับเขาได้คำถามจากคุณแฮปปี้ติโยมจะลาออกจากราชการเพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้น แต่คนอื่นกลับมองว่าเราบ้าเขาคิดว่าเป็นผู้หญิงจะไปอยู่ปฏิบัติไปบวชได้อย่างไรไม่เหมือนผู้ชายถ้าจะบวชก็ต้องมีเงินเพราะเป็นผู้หญิงปกติโยมจะชอบไปวัดไปปฏิบัติธรรมไปทำสมาธิภาวนาในช่วงวันหยุดเป็นประจำและคิดว่างานในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการปฏิบัติทําให้เกิดทุกข์ทางใจทาให้ใจไม่สงบ ยิ่งทำไปแม้ได้เงินมามากก็หาความสงบทางใจแทบไม่ได้รู้สึกมีแต่ความดีดดิ้นเป็นทุกข์เลยคิดลาออกดีกว่าคนในที่ทำงานก็คิดว่าเราบ้าเพราะคนส่วนใหญ่ไม่คิดแบบนี้พระอาจารย์คะการที่โยมคิดลาออกจากราชการเพื่อว่างเว้นจากงานจะได้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้นดีหรือไม่คะ ก็พระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนี้ไม่ใช่เลยพระพุทธเจ้าก็ลาออกจากการเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นพระราชกุมารท่านกษัตรราชสมบัติมันก็เหมือนกับเราเราทำตามพระพุทธเจ้ามันจะไม่ดีได้อย่างไรมันก็ต้องดีเลยเราต่อไปจะได้เป็นภาษาบอกของพระพุทธเจ้าคำถามจากคุณสีศิราพาัขอถามให้คุณแม่เจ้าคะ่ะภาวนาแล้วเวลาจิตลงฐาน จะพบความเย็นซึ่งเมื่อก่อนเวลาจิตลงฐานแค่สงบและเฉยหลังจากนั้นจิตก็ถอนตัวออกมาเป็นปกติขอเรียนถามว่าที่พบกับความเย็นเพราะอะไรและต้องภาวนาต่อไปอย่างไรเจ้าคะเพราะว่ามันลงถึงฐานจริงถ้ามันยังไม่เต็มที่มันก็ยังไม่เย็นนั้นถ้ามันลงเต็มที่แล้วมันจะเย็นจะสบายมีความสุข ถ้ามันอยู่ในตรงนั้นก็พยายามใช้สติดึงมันไว้อย่าให้มันออกมาจนกว่าสติสู้กำลังของกิเลสไม่ได้มันก็ต้องถอนออกมาถอนออกมาถ้าเราอยากกลับเข้าไปใหม่เราก็นั่งใหม่เริ่มต้นใหม่ทําเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปบ่อยๆต่อไปเราก็จะเย็นจะสบายไปทั้งวันออกมาไม่ใหม่มันจะเย็นพอมันเริ่มร้อนเราก็กลับเข้าไปใหม่ต่อไปก็เหมือนกับน้าเย็นเนี่ยเวลาเราแช่ตู้เย็นมันก็เย็น เวลาเอาออมาจากตู้ใหม่ๆมันก็ยังเย็นอยู่ถ้าทิ้งไว้สักพักเดียวมันก็หายเย็นพอหายเย็นล้าก็เข้าไปแช่ตู้ใหม่ให้มันเย็นใหม่ใจเราก็เหมือนกันใจเราก็เหมือนน้ำสมาธิก็เป็นเหมือนตู้เย็นที่เราต้องคอยเข้าไปอยู่เรื่อยๆเข้าไปแล้วพอออกมาใจเย็นทำอะไรก็สบายไม่วุ่นวายใจปล่อยวางได้ใครจะทำอะไรก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเริ่มเดือดร้อนแสดงว่าใจหายเย็นละ ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่หน้าท่านนี่คือขั้นของสมาธิแต่ถ้าเราออกมาจากสมาธิแล้วเราหัดใช้ปัญญาได้คือปล่อยวางมองว่าทุกอย่างที่เราเห็นที่เรารับดูนี่เราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เป็นเหมือนฝนเหมือนลมถ้าเราทำใจถ้ารู้ว่าเราปล่อยรู้ว่าเป็นลมกับฝนเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาใช่ไมเพรรู้ว่ายุ่งก็ทาอะไรไม่ได้ สั่งให้ลมพัดได้ไหมสั่งให้ลมหยุดพัดได้ไหมสั่งให้ฝนตกสั่งให้ฝนไม่ตกได้ไหมทันใดคนเลือกสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยก็เหมือนกับลมกับฝนนั่นแหละเราไปสั่งเขาไม่ได้งั้นก็ปล่อยให้เขาทาไปเพราะเราไม่มีความอยากไปสั่งให้เขาเราก็เย็นไม่ร้อนที่มันร้อนร้อนเพราะความอยากของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอไม่ได้ก็ร้อนขึ้นมาทันที ถ้าใช้ปัญญาเป็นต่อไปไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้พอร้อนก็รู้เลยว่ากําลังอยากแล้วถามแล้วอยากอะไรอยากกินกาแฟก็อยากไปกินถ้าไม่กินแล้วต่อไปความอยากกาแฟหายไปมันก็จะไม่ร้อนถ้าอยากกาแฟแล้วไปกินกาแฟเดี๋ยวครั้งต่อไปมันก็อยากขึ้นมาอีกแต่ถ้ามันอยากแล้วเราไม่ไปทําตามความอยากต่อไปความอยากมันก็หมดแล้วใจก็จะไม่ร้อนไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ถ้ารู้จักใช้ปัญญา คำถามจากคุณอองเอ๋หากในชีวิตประจำวันเวลาทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านล้างจานเราควรจะภาวนาพุโทโธไปในใจหรือควรจะดูอากับกรียาเคลื่อนไหวของร่างกายไปเช่นกวาดบ้านก็ดูอาการมือเคลื่อนไหวอย่างนี้ถือว่าเป็นการจเจริญสติอยู่ตลอดวันหรือไม่และเป็นการภาวนาปฏิบัติธรรมใช่หรือไม่คะ ถ้าดูได้ดูที่เราไม่ไปคิดอะไรก็ใช้ได้จนกำลังกวาดก็ดูการกวาดของเราไปไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ถือว่าเรามีสติแต่ถ้าเรากวาดไปแล้วเรายังไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่ก็แสดงว่าสติมีกำลังไม่พอเราก็ต้องใช้คำบริกรรมพุโทโธช่วยดึงกลับมาอีกอันหนึ่งกวาดไปก็พุโทโธไปแข่งกับความคิดที่จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ ถ้าเรามีพุโทโธกันด้วยแล้วกวาดเราเราก็เฝ้าดูการกวาดไปด้วยเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็จะหายไปงั้น้อยู่ที่กำลังสติของเรามีมากมีน้อยถ้ามีมากเราไม่ต้องพุโทโธเราเฝ้าดูการกระทาของเราเราแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวเราไม่ไปคิดอะไรก็ใช้ได้แต่ถ้าเราเฝ้าดูแล้วมันยังคิดอยู่เราก็ต้องใช้พุโทโธมาหยุดมันอีกขั้นหนึ่งคาถามจากคุณกาสีนา ปฏิบัติธรรมแบบเดียวกันยกเว้นต่างสถานที่เช่นปฏิบัติธรรมในห้องแอร์ในป่าลึกในบ้านในถ้ำในป่าช้าบนยอดเขาบนเตียงนอนเช่นเวลาป่วยมากต่างกันในเรื่องใดหรือไม่อย่างไรเจ้าคะก็สถานที่มันก็มีส่วนที่จะทําให้การปฏิบัติง่ายหรือยากถ้าสถานที่ที่มันมีเรื่องราว วุ่นวายมีแสงมีสีมีเสียงมาคอยกวนใจมันก็ทำให้ใจสงบยากถ้าไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีอะไรมาบรบกวนใจมันก็สงบง่ายนั้นส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติจึงนิยมไปอยู่ตามป่าตามเขาเพราะจะไม่มีอะไรมาบรบกวนใจถ้าอยู่ตามบ้านตามเมืองนี่เดี๋ยวคนนั้นคนนี้เสียงคนนั้นคนนี้เสียงรถเสียงอะไรเต็มไปหมดเดี๋ยวกิ่นขนมกิ่นอะไรเข้ามา มาลบกวนทำให้ใจวุ่นวายเพราะเกิดความอยากขึ้นมาจึงต้องไปปรีกวิเวกถึงจะดีที่สุดไปดีไปอยู่ที่ไม่มีแสงสีเสียงไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาคอยลบกวนใจคำถามจากคุณแนนซี่เมื่อจิตเกิดความแค้นเคืองขึ้นมาจากการถูกทำร้ายเบียดเบียนจะใช้กุสโลบายทำใดเพื่อช่วยระงับจิตลักษณะ น, นี้ให้ดับลงได้ หรือสงบลงได้เจ้าค่ะก็เหมือนว่ามันเป็นวิบากของเราก็ได้หรือมองว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยเช่นเดินไปข้างนอกแล้วไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวล่มไปฝนตกไม่มีที่หลบฝนมันก็ต้องเปียบชีวิตเราก็บางทีก็ต้องไปเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้เราเสียใจก็คิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติไปยอมคิดว่าเหมือนกับฝนตก แล้ว เ, เดินเราไม่มีสติเลื่นหกล้มถ้าเราลื่นหกล้มเราก็จะไม่เสียใจถ้าเราไปโดนฝนสาดทาให้เราเปียกเราก็ไม่เสียใจแต่ถ้าเราไปโดนคนทำอะไรขึ้นมาเราเสียใจเพราะเราไปเห็นว่าเขาเป็นคนเราต้องมองว่าคนก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันเหมือนกับฝนกับอะไรต่างๆอะไรจะเกิดขึ้นก็ถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เราห้ามไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้ว ถ้าเรายอมรับได้เราก็จะไม่เสียใจคือมองให้ทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเราอะไรมากระทบหัวเราไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวหล่นใส่หัวเราหรือคนแก้งเอาไม้มาเคาะศีรษะเรามันก็เจ็บเหมือนกันมันก็โดนกระทบเหมือนกันทำไมเวลามะพร้าวหล่นใส่หัวไม่โกรธไม่เสียใจ วเวลาคนเอาไม้มาเคาะหัวเรากับโกรธกับเสียใจมันก็เจ็บเหมือนกันเพราะเราไปแยกว่าอันนึงเป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่งไม่เป็นธรรมชาติเราก็เลยโกรธคนที่เขามาเอาไม้มาเคาะหัวเราแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นธรรมชาติหมดเราก็จะไม่เสียใจอย่างถ้าเรามองเห็นว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติได้เราก็จะไม่เสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมาเสียใจทําไมมาเสียสองเด้งทําไม เจ็บกายแล้วต้องมาเจ็บใจทําไมเอาเสียเด้งเดียวก็พอเป็นเรื่องอุบัติเหตุเรื่องสุดวิสัยเรื่องห้ามไม่ได้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้ามองอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่มีความรู้สึกเสียใจหรือกโกรธใครใครก็ทําอะไรเราไม่ได้มองเขาว่าเป็นคนเราคิดว่ามันเป็นเหมือนกับธรรมชาติเหมือนเหมือนกับต้นมะพร้าวหล่นใส่หัวเรานหรือดอนแล้วเผลอไป ไปลื่นหกล้มเียเราก็ไม่โกรธใช่ไหมคำถามจากคุณนันทิดาการพิจารณากายเราควรพิจารณาให้รู้ทั่วทั่วกายหรือพิจารณาที่จุดใดจุดหนึ่งเจ้าคะและเมื่อเกิดเวทนาเราเพียงรู้เฉยๆไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะคือร่างกายนี้เราต้องศึกษาให้รู้ความจรงิงความจริงมันมีอยู่สองอันใหญ่ๆอันแรกก็คือ ร่างกายไม่เที่ยงร่างกายนี้มันเกิดแล้วมันก็จะรินเติบโตแล้วต่อไปมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายให้คิดอยู่บ่อยๆไม่ให้ลืมว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ายังยังกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายก็แสดงว่าลืมคิดถ้าเราไม่ลืมคิดเราจะไม่กลัวเพราะเรารู้ว่ามันต้องมันต้องเกิดขึ้นมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่มัน ที่มันทําให้เรากลัวเพราะหนึ่งเราลืมคิดถึงมันพอมันเจอปั๊บมันก็ตกใจแต่ถ้าเราคิดบ่อยๆเราก็จะไม่ตกใจกูรู้อยู่แล้วเดี๋ยวมึงผมก็ต้องหงอกแล้วเดี๋ยวหนังก็ต้องเหี่ยวแล้วจะไปตกใจทําไหมหรือแล้วาว่าถ้าตกใจหรือกลัวหรือทุกข์ก็แสดงว่าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมความอยากของเราอเองแล้วเราไปห้ามมันได้หรือเปล่าห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้หรือเปล่ามันก็ยังแก่เจ็บตายอยู่ดี ถ้าไปอยากไม่แก่มันก็ทุกข์อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยาก mm hmm. เพราะความอยากเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์เนี่ยอันนี้คือการพิจารณาร่างกายในเรื่องของอนิจจังเรื่องของอนัตตาแล้วยังต้องมีพิจารณาร่างกายว่ามันไม่สวยงามมันสวยแต่เฉพาะภายนอกพอเรามองเข้าไปใต้ผิวหนังได้มันก็ไม่สวยแล้วเห็นอวัยวะต่างๆ เห็นโครงกระดูกเห็นกระโหลกศีสันเห็นปอดหัวใจเห็นตับเห็นลำไส้เห็นอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นวิธีพิจารณาร่างกายอีกอย่างเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงไหลข้างไครกับร่างกายของคนอื่นหรือของเราเราจะได้รู้ว่ามันไม่สวยงามหรอกไม่แต่งตัวให้มันสวยทำไมหลอกกันชัดๆเนี่ยเพราะว่ามองไม่เห็นข้างในกันถ้าผิวหนังมันใสเหมือนถูกพลาสติกนี่คงไม่ต้องมาแต่งเนื้อแต่งตัวกันให้เสียเวลา พอมันเห็นกันหมดนะเห็นตับไตไส้พุงเห็นอะไรเห็นกระโหลกศีรษะใช่ไหมถ้าผิวหน้าเราบางใสนี่เราจะมองเห็นอะไรใต้ผิวหน้าเราถ้าไม่ใช่กระโหลกศีรษะนะแต่มัน ม, มันมันทึบเรามองไม่เห็นเราก็จะเปหลงคิดว่าหน้าตาสวยงามความจริงถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเห็นว่ามันก็แค่เป็นผิวหนังหุ้มหอ่อกระโหลกศีรษะเท่านั้นเองอันนี้ก็พิจารณาเรียกว่าสุภาษ นี่คือการพิจารณาร่างกายอีกส่วนหนึ่งก็พิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นดินาน้ำหนุนไฟทำมาจากดินน้ำหนุนไฟนี้เป็นอาการสาสิบสองเป็นผมเป็นขนเราไม่ได้เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราไปตู่เอาว่ามันเป็นเราทนะนั้นเองเราอยู่ตรงไหนในร่างกายนี้ลองค้นหาดูอยู่ที่ผมหรือเปล่าอยู่ที่ขนหรือเปล่าหรืออยู่ที่เล็บหรืออยู่ที่ฟัน เวลาถอนฟันไปแล้วเราหายไปหรือเปล่า mm. เวลาตัดผมทิ้งไปแล้วเรายังหายไปหรือเปล่าเราก็ยังอยู่ mm. ไม่มีร่างกายนี้เราก็ยังอยู่แส mm. ดงว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟพิจนารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ mm. ไม่ทุกข์กับร่างกายกต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายกายจะสวยงดงามขนาดไหนก็หลอกเราไม่ได้ มาหลอกก็เราว่าสวยงามยังไงเป็นนางงามจักรวาลก็มาหลอกเราไม่ได้เพราะเราเห็นตับไตไส้พุิของนางงามจักรวาลน เ, นเห็นโครงกระดูกของนางงามจักรวาลแล้วมันจะมาหลอกกันเราว่าสวยงามได้อย่างไรใช่ไหมนี่แหละคือการพิจารณาร่างกายในลักษณะต่างๆซึ่งก็พอดีหมดเวลาพอดีคําถามที่เหลืออยู่ก็ต้องขออภัยอยากจะถามก็ไว้วันพรุ่งนี้ก็เข้ามาใหม่ได้ตั้งแต่สามโมงไป ฟังเทศตอนสองโมงแล้วสามโมงก็จะมีการถามตอบปัญหาธรรมทุกวันเวลาก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิชพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ